เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นแลพระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านเยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่ขอรับ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 ท่านสารีบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้จึงได้กเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้แต่บัดนี้เพราะฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตรผมจึงละทิฏฐิชั่วนั้นได้แล้วและได้บรรลุธรรมท่านยะมะกาถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยะมะกะภิกษุอรหันตคีนาศบหลังจากตายแล้วเป็นอะไรท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไร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 สิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุผมถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละท่านยมะกะถ้าอย่างนั้นผมจะยกอุปมาให้ท่านฟังเพื่อเข้าใจเนื้อความนั้นชัดเจนขึ้นเปรียบเหมือนข้าบดีหรือบุตรค้าบดีผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากและมีการอารักขาอย่างกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งมุ่งความพินาศความไม่เป็นประโยชน์และความไม่ปลอดภัยอยากจะปลิดชีวิตเขาเสียเขาจึงมีความคิดว่าข้าหาบดีหรือบุตรข้าบดีผู้นี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากและเขามีการอารักขาอย่างกวดขันการที่จะอุกอาจปลิดชีวิตเขาม่ใช่ทาได้ง่ายทางที่ดีเราควรใช้อุบายปลิดชีวิตเสีย เขาพึงเข้าไปหาข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมจะขอรับใช้ท่านข้าบดีหรือบุตรข้าบดีพึงรับเขาไว้เขารับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคําสั่งประพฤติตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะข้าบดีหรือบุตรขาบดีนั้นเชื่อว่าเขาเป็นมิสหายและไว้ใจเขา เมื่อใดบุรุษนั้นคิดว่าขหบดีหรือบุตรข้าบดีนี้ไว้ใจเราแล้วเมื่อนั้นเขารู้ว่าขหาบดีหรือบุตราบดีอยู่ในที่ลับจึงใช้ศ ส, สตราอันคมปลิดชีวิตเสียท่านยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในการใดบุรุษนั้นเข้าไปหาข้าบดีหรือบุตรข้าบดีโน้นแล้วกล่าวว่าผมจะขอรับใช้ท่าน แม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ค่านั่นเองแต่ข้าบดีหรือบุตรขาบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ค่าว่าเป็นผู้่าตนแม้ในการใดบุรุษนั้นรับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤตินตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเอง แต่ฆ่าบดีหรือบุกค่าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตนแม้ในการใดบุรุษนั้นรู้ว่าฆ่าบดีหรือบุกค่าบดีอยู่ในที่ลับจึงใช้ศาสตราอันคมปลิดชีวิตเสียแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่ค่าบดีหรือบุกค่าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตนหรืออย่างนั้นขอรับ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 รู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงสัญญาที่ไม่เที่ยงสังขารที่ไม่เที่ยงรู้ชัดวิญญาณที่ไม่เท İ ี่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกข์รู้ชัดเวทนาที่เป็นทุกข์สัญญาที่เป็นทุกข์สังขารที่เป็นทุกข์รู้ชัดวิ ญ, ญญาณที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกข์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 จิตของผมจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยะมะกะสูตรที่สาจบ 4. อนุราธะสูตรว่าด้วยพระอนุราธะสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏิคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระอนุราทะอยู่ที่คูดีป่าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญะเดรถิปรภาชกจํานวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุราทะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร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 สหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก 4. หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่หรือเมื่ออัญญาดิรฐีปริภาชกเหล่านั้นถามอย่างนี้แล้วท่านพระอนุราธะได้ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษ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 จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อท่านพระอนุราธะตอบอย่างนี้แล้วอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระอนุราธะดังนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานหรือเป็นพระเถระแต่งโง่ไม่ฉลาดทีนั้นพวกอัญญาเดรธีปริพาชกกล่าวรุกรานท่านพระอนุราธด้วยวาทะว่า เป็นพระใหม่และวาทะว่าเป็นพระโง่พากันลุกจากอาสนะแล้วจากไปพรั้นเมื่อพวกอัญญะเดรธิปริพาชกจากไปไม่นานท่านพระอนุราทะได้มีความคิดว่าถ้าอัญญะเดรธิปริพาชกเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่ยงขึ้นไปเราจะพยากรแก่อัญญะเดรธิปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรจึงจะชื่อว่า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 อนุราทะทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคต่อมาท่านพระอนุราทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาสข้าพระองค์อยู่ที่คูดีป่าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญาเดรถีปริพาชกจำนวนมาก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 ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกละถึงสหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เมื่อข้าพระองค์ตอบอย่างนี้แล้วอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้น ได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานหรือเป็นพระเถระแต่งโง่ไม่ฉลาดที่นั้นอัญญาเดรถีปริภาชกเหล่านั้นกล่าวลุกรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่าเป็นพระใหม่และด้วยวาทะว่าเป็นพระงโง่พากันลุกจากอาสนะแล้วจากไปเมื่ออัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นจากไปไม่นาน ข่าพระองค์ได้มีความคิดว่าถ้าพวกอัญญะเดรถิปริภาชคเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะพยากรแก่อัญญะเดรถิปริภาชคเหล่านั้นอย่างไรจึงจะชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคากล่าวเช่นนั้น และการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้พระผู้มีพระภาคตรถามว่าอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอนุราทะราบทุนว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเพราะเหตุนั้นแลอริยสาวกผู้ได้สดับเ็นอยู่อย่างนี้ละถึง รู้ชัิว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราทะ เธอจะเข้าใจความข้อน <ti> ั <baptized iana> ้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาและถึงนอกจากเวทนาในสัญญาในสังขาร นอกจากสังขารในวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรื อ, รรอไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ อนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอนุราทะแท้จริงเธอจะค้นหาตถาคตโดยจริงโดยแท้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 เราย่อมบรรยัญญติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นอนุราทะสูตรที่สี่จบ 5. วักลิสูตรว่าด้วยพระวัคลิ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขโครงราชครึกสมัยนั้นท่านพระวกกลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพักอยู่ที่โรงช่างหม้อครั้งนั้นท่านพระวกลิลิเรียกภิกษุผู้อุปถาคทั้งหลายมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวตามคําของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวรกลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายอภิวาสพระยุคลบาตของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์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 และฝากมากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมภิกษุวักลิถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก์ถือบาทและจีวรได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระวักลิถึงที่อยู่ท่านพระวักลิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระวักลิดังนี้ว่าอย่าเลยวักลิเธออย่าลุกจากเตียงเลยเราจะนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้นั้น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 ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าข้าวะกะักกลิเธอไม่รำคาญไม่ทุรนทุรายบ้างหรือความจริงข้าพระองค์รำคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าข้าวะกะักกลิเธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่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 จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปือยเน่าที่เธอเห็นอยู่นี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมความจริงเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็ชื่อว่าเห็นธรรมวักลิเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่า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 เสด็จไปทางภูเขาคิจกูดลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานท่านพระวัคคลิได้เรียกภิกษุผู้อุปถาทั้งหลายมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงช่วยอุ้มผมขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาลาสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิทำไมพระอย่างผมจะพึงสำคัญตนว่าควรมรณภาพในละแวบบ้านเล่า ภิกษุผู้อุปถากเหล่านั้นรับคำแล้วอุ้มท่านพระวกริขึ้นเตียงหามไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิลิขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูด ต, ตลอดคืนและวันที่ยังเหลืออยู่นั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวันณะกงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิจกูด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวักลิคิดเพื่อหลุดพน้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวักลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจกหลุดพ้นได้แน่เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลดังนี้แล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าไปหาภิกษุวกคะลิถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านวกคะลิท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคาของเทวดาสององค์ เมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิจกูดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวรกลิคิดเพื่อหลุดพ้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้ยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวกคลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจากหลุดพ้นได้แน่ทั้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านว่าอย่ากลัวเลยวกคลิอย่ากลัวเลยวกคลิความตายอันไม่ต่าช้าจากมีแก่เธอการทำกาละตายจะไม่เลวซามภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เขไปหาท่านพระวัคคลิถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่าท่านวัคคลิท่านจงฟังพระดารัสของพระผู้มีพระภาคและคําของเทวดาชสององค์เถิดลําดับนั้นท่านพระวัคคลิได้เรียกภิกษุผู้อุปถากทั้งหลายมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงช่วยอุ้มผมลงจากเตียงทําไมพระอย่างผมจะพึงสําคัญตนว่าควรนั่งบนอาสนะสูง แล้วฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเล่าภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วก็ช่วยกันอุ้มท่านพระวักลิลงจากเตียงภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์ยืนอยู่ณที่สมควรครันแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวักลิคิดเพื่อหลุดพ้นเทวดาอีกองหนึ่งด้วยกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวักลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจกหลุดพ้นได้แน่ทั้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านว่าอย่ากลัวเลยวักลิอย่ากลัวเลยวักลิความตายอันไม่ต่ำช้าจากมีแขเธอการทากาลละจะไม่เลวซาม ท่านพระวกกะลิกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทดของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวักะลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเธอขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทดของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่า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 ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาความพอใจความกำนัดหรือความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่มีแก่เราภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วก็จากไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นจากไปไม่นานท่านพระวกคคลิก็ได้นาศาสตรามาต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควร แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวกริอาภาดได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเธอขอถวายอภิวาทพระยุคนละบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงรูปที่ไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์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 มีความแปลผันเป็นธรรมดาความพอใจความกำหนัดหรือความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่มีแก่เราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารการลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเป็นสถานที่ที่วัคลิลกุลุตรได้นำศาสตรามา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 ทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงลำดับนั่นเองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกละถึงและทิศเฉียงหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายนั่นแลคือมารผู้มีบาป ค้นหาวิญญาณของวักลิกุลบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของวักลิกุลบุตรสถิตยอยู่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายวักลิกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตยอยู่ปรินิพานแล้ววกคลิสูตรที่หจบ อสศชิสูตรว่าด้วยพระอสศชิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่เยือกระแตเขตกรุงราชฤก์สมัยนั้นท่านพระอสศชิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพักอยู่ที่กะสปะการามครั้งนั้นท่านพระอสศชิเรียกภิกษุผู้อุปทาทั้งหลายมากล่าวว่า